พวกเราภาวนานะพอเรารู้หลักนะแล้วการภาวนามันไม่ยากอะไรเลยสบายอยู่ที่การสะสมพอเราทำถูกหลักถูกวิธีแล้วก็ใช้เวลาทำให้มากจะทำให้มากพอนะบารมีของเราก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นถึงจนหนึ่งมันก็ตัดกิเลสไป ปิดอบายบางตอนก็ปิดอบายไปพวกเราก็ทำได้ดีขึ้นนะในภาพรวมหลวงพ่อออกไปดูไปเทศต่างจังหวัดไปอะไรเงี้ยต่างประเทศก็เป็นคนแยกธาตุแยกขันได้นี่เยอะแยะไปหมดเลยแยกธาตุแยกขันได้เนี่ยเป็นจุดตั้งต้นของการเจริญปัญญา จิตตั้งมั่นแล้วนี่รู้ในรู้ตัวแล้วอย่าให้ตั้งอยู่เฉยๆให้มีสติดูการทำงานของกายของใจได้ไปแต่ไหนดูจิตได้ก็ดูจิตแต่ไหนดูจิตไม่ออกนะมั่วไปหมดนะก็มาดูกายแต่ไหนดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้ทําความสงบไปวิธีทําความสงบก็น้อมใจไปอยู่ในอารมณ์เดียว จะอยู no ่กับพุทโธนี่จะอยู่กับลมหายใจก็ได้แต่อย่าบังคับใจให้สงบต้องการความสงบนะแต่อย่าบังคับใจให้สงบจิตเราเป็นของที่ไม่ชอบให้ใครบังคับพาเขาอยู่ในอารมณ์เดียวนะสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างรู้อารมณ์เดียวที่มีความสุขไปได้พุทโธแล้วมีความสุขก็อยู่กับพุทโธรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขเราอยู่กับลมหายใจไป จะสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างนะถ้าเราทำด้วยใจที่สบายๆนะไม่นานก็สงบนะครูบาอาจารย์เคยสอนหลวงพ่อหนะลวงพ่อพุท ธ, ธานิโยเคยสอนสมถะเริ่มมาหมดความจงใจถ้าเราจงใจให้สงบมันจะไม่สงบนะตัวนี้ถ้าเราฝึกจนเป็นวสีชำนานในการทำจิตให้สงบ ถ้าเราชำนาญ น, นะแค่เราหายใจจิตก็รวมปุ๊บแนะละเราฝึกค่อยๆฝึกไปพวกเราเวลาอยู่ปกติสิรวมยากนะฟูงง่ายรวมยากแต่เวลาเกิดเรื่องฉุกเฉินเนี่ยมันจะรวมไวมากเลยคล้ายๆช่วงไหนที่ทำท่าว่าจะตายขึ้นจริงๆนะ จีมจะรวมอัตโนมัติเลยปุ๊บเลยอาศัยที่เราเคยฝึกเนี่ยไม่เจตนาเลยนะมันรวมปุ๊บของมันเลยนี่มีโยมทางเมืองกาลมาเล่าเขาตั้งรถไปอย่างแตกอย่างแตกขอรถหมุนนะมันดังเปรี้ยงตกใจมือตะปบล็อกเก็ตหลวงพ่อได้ไปอันนึ่งจับไว้จิตรวมปุ๊บเลยเห็นตัวเองมาอยู่ที่วัดนี่ร่างกายก็ยังอยู่ที่เก่านะ รู้สึกตัวขึ้นมาอีกทีนึงรถมันข้ามคู่น้ำไปแล้วอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะรถพังแต่ว่าคนไม่เป็นไรนะกำลังของสมาธิในเวลาพวกเราเกิดอุบัติเหตุจิตจะรวมปุ๊บเลยลายนี้รวมมากไปหน่อยรวมจะมาอยู่วัดแล้วรวมแบบนี้นะตายไปคงมาเป็นเทวดาที่วัดยังไม่ไปนิพพานหรอกนะอาบาคนรถอุบัติเหตุเกิด น, นะ ตั้งมั่นเลยจิตเป็นคนดูขึ้นมาเลยไม่ตกใจแม่อะไรเลยนะเห็นรถบนหมุนเห็นจะชนแล้จะยังงอนอย่างนี้แล้ว ใ, ใจก็ตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาจิตขนาดนั้นเป็นจิตที่มีบุญมากมีบุญมากนะถ้ากรรมยังไม่ตัดรอนถึงวาระต้องตายอะไรไม่ค่อยเป็นอะไรเพราะกาลังบุญมันแรงไม่ใช่หลวงพ่อขลังนะพวกเราอย่างโง่ขนาดนั้นนะ หลวงพ่อก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนพวกเราแหละพุทธเจ้าอย่างนิ้ผ่านเลยไม่ใช่มีเหรียญมีพระหลวงพ่อแล้วก็ขลังอยู่ที่บุญที่กรรมของเราเองนิ่อยู่ที่จิตของเราเราฝึกมากเข้ามากเข้านะมันรู้สึกตัวเกิดอะไรขึ้นในะจิตตั้งมั่นปุ๊บรู้ตัวขึ้นมาตัวนี้เป็นบุญใหญ่มากคนโบราณบอกว่าจิตมีสมาธินะ ชั่วเวลาช้างกระดิกหูงูลแล บ, บลิ้นใครใคเห็นงูลแล บ, บลิ้นไหมแลบบไวนะแลบแลบแ บ, บแบบช้างกระดิกหูคงนี้คงเห็นไบ่อยเหมือนกันกระดิกแบบใช้เวลานิดเดียวนี่บุญมหาศาลเลยเขาบอกว่าบุญเยอะกว่าสร้างวัดตั้งวัดหนึ่งอีกบุญของสมาธินะสูงกว่ากันเยอะเลยบุญไปสร้างวัดซื้อที่ถาวายวัดทำโน่นทานี่นะ ปิดท้องพระอะไรเนี่ยมันระดับฐานแต่ระดับสมาธิบุญมันสูงกว่าระดับฐา น, นระดับปัญญาเนี่ยสูงที่สุดบุญใดประกอบด้วยสติประกอบด้วยปัญญาเป็นบุญใหญ่ที่สุดงั้นอย่างถ้าตกใจรถจชนนะจิตตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาอันนี้ได้บุญระดับสมาธิบุญขนาดนี้นะถ้ากรรมมันไม่ตัดรอน จ, จริงจริงอุปคาตรรำยังไม่ทางานนะไม่ตาย ไม่ค่อยเป็นไรเรบุญมันแรงกว่าแต่ถ้าเป็นปัญญาพอลดความปุ๊บรดหมุนปุ๊บจิตตั้งมั่นเด่นดวงเห็นธาตุเห็นขันเห็นโลกนี้สักแต่ว่าเป็นไม่ใช่ตัวใช่ตนไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนใี่ไหมเกิดตอนนั้นคอหักตายคอหักตายก็ได้ธรรมะได้ธรรมะไปไม่มีตัวมีตนหรือคอไม่หัก ถ้าบุญมากพอบารมีมากพอมันจะได้ธรรมะตอนนั้นเลยก็ได้ในสมัยพุทธกาลก็มีเรื่องราวของพระที่ท่านบารรลุในขณะที่ตายในบารมีท่านเต็มแนละ้วจิตท่านยอมแนละ้วจิตตั้งมั่นมันเจริญปัญญาในขั้นสุดท้ายจิตมันยอมก็ได้ธรรมะได้โสดาสกตาคาองค์ได้อรหันไป บารมียังไม่พอก็ไปทําเอาอีกนะชาตินี้ไม่มีร่างกายจะทําแล้วก็ไปมีร่างกายขึ้นมาก็มาปฏิบัติอีกพวกเราชอบบ่นว่าไม่มีเวลาปฏิบัติใครเคยคิดอย่างนี้ไหมหลวงปู่เทศนะครูบาจารย์องค์หนึ่งของหลวงพ่อท่านบอกว่าถ้ายังมีกิเลสอยู่นะก็มีเวลาปฏิบัติไม่ต้องกลัวหรอกเวลาไม่หมดหรอกหมดชาตินี้นั้นก็มีชาติหน้าอีกอยู่ที่ว่าจะปฏิบัติหรือเปล่าเท่านั้น งันถ้าเรารู้หลักของการปฏิบัติที่ชัดเจนแล้วนะเราก็ลงมือปฏิบัติให้มากที่สุดเลยจะอยู่ก็อยู่อย่างคนมีสติมีปัญญาถ้าจะตายก็ตายอย่างคนมีสติมีปัญญามีชีวิตที่ไม่ตกต่ำนะชีวิตที่จะเจริญรุง่งเรืองขึ้นไปมีความสุขมีความสบายสูงขึ้นเป็นลาดับลาดับพวกเรา ที่มาเรียนอนู่หลายคนก็ทำได้ทำได้ในระดับที่ว่าไ ว, ว้วางใจได้ว่าชีวิตวันข้างหน้าต้องดีขึ้นกว่านี้อีกแต่ยังไม่มีใครทำถึงระดับว่าจะไม่เกิดอีกนะเกิดที่ไรก็เป็นทุกทุกทีแหลนะชีวิตนี้ร่างกายนี้จิตใจนี้มันตัวทุก มีร่างกายนนก็ทุกมีจิตใจก็ทุกเรียนรู้ทุกให้แจมแจ้งเรียนรู้กายเรียนรู้ใจให้มากวิธีเรียนก็ใช่สังเกตเอาสังเกตการดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานเราทำตัวเป็นแค่คนดูเห็นกายมันทำงานเห็นใจมันทำงานไปตรงเห็นกายเห็นใจมันทำงานนั่นแหละเรียกว่าวิปัสสนากรรมาฐานวิปัสสนา ปัต ส, สนะว่าการเห็นวิปัสสนาไม่ใช่คิดเอาไม่ใช่ทําสมาธิแล้วก็เกิดวิปัสสนาเองไม่เป็นอกจะทํำวิปัสสนาได้นะจิตต้องอยู่กับเนื้อกับตัวก่อนเพราะมันคือการเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงถ้าจิตใจเราล่องลอยไปหนีไปคิดโน้นคิดนี้ เรามีร่างกายเราก็ลืมร่างกายเรามีจิตใจเราก็ลืมจิตใจก็ทำวิปัสสนาไม่ได้คือเห็นความจริงของกายของใจไม่ได้แล้วเราก็พยายามมาฝึกให้จิตใจอยู่กับตัวเองอย่าล่องลอยเลื่อนลอยหายไปแต่จิตใจที่จะอยู่กับ เ, เนื้อกับตัวนี่มันมีสองแบบแบบหนึ่งอยู่แบบเคร่งเครียด อ, อันนี้ไม่เอาอยู่อย่างเครียดเครียดคนที่เขาฝึกกรรมาฐานกัน ที่บอกเข้าคอร์สมีปรัชนามีปรัสนานะร่างกายกระดูกกระดิกรู้ตัวตลอดเลยแต่ไม่เป็นมิปรัชนาหรอกมันเพ่งร่างกายอยู่เฉยๆมิปรัสนาไม่ใช่แค่เราเห็นกายมิปรัสนาไม่ใช่แค่เห็นร่างกายไม่ใช่เห็นจิตใจวิปรัสนาต้องเห็นว่ากายก็เป็นไตรลักษณ์ใจก็เป็นไตรลักษณ์ต้องเห็นไตรลักษณ์ได้จะเป็นไตรลักษณ์ได้เราต้องไม่ไปเพ่งเอาไว้ ถ้าเราไปเพ่งอยู่ที่จิตนะแทนที่จะเห็นว่าจิตไม่เที่ยงนะเราจะรู้สึกว่าจิตเที่ยงถ้าเพ่งเก่งๆ ก, ก็รู้สึกว่าจิตเป็นสุขแทนที่จะเห็นว่าเป็นทุกข์เพ่งชํานาญนะอยากให้สงบเมื่อไหร่ก็ได้ปุ๊บปั๊บตามใจชอบเลยอยากให้มีความสุขหรืออยากเป็นอุเบกขาก็เลือกเอาตามใจชอบเลยชํานาญในเรื่องสมาธิมากก็จะเห็นว่าจิตเป็นอัตตาแทนที่จะเห็นว่าเป็นอนัตตาเนี่ยเราแทนที่ ถ้าตัวรู้เราผิดนะตัวรู้ของเราเป็นตัวรู้แบบตั้งขึ้นมาจงใจตั้งขึ้นมาไม่ใช่ตัวผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่แท้จริงตัวรู้แบบตั้งขึ้นมาก็รู้ตัวอยู่ได้เห็นร่างกายได้เห็นความรู้สึกต่างๆได้แต่จิตจะนิ่งจิตจะเที่ยงเห็นร่างกายไม่เที่ยงเห็นความสุขความทุกข์ไม่เที่ยงเห็นกุศลอกุศลไม่เที่ยงนะแต่จิตที่เป็นคนรู้เนะี่เที่ยงเพราะนเราไม่เอา ความรู้ตัวชนิดที่จิตเที่ยงถ้าตัวรู้ชนิดจิตเที่ยงนะั้นถ้าทําไม่ดีก็จะหนักหนักแน่นๆ่นแข็งแข็งถ้าทําดีก็โปร่งโล่งเบา ว, ว่างสบายไม่เดินปัญญาต้องให้เห็นว่าตัวรู้เองก็ไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นตัวรู้เองนะั้นมีสองลักษณะลักษณะหนึ่งแข็งเกินไปทื่อๆแข็งแข็งเที่ยงเที่ยงอยู่นั้น ไอ้ตัวรู้อย่างนี้จงใจทําขึ้นมาด้วยอํานาจของสมาธิตัวรู้ที่ดีเนี่ยไม่ได้จงใจทําให้เกิดอาศัยสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปรู้ทันจิตที่ฟุ้งไปจิตไหลไปคิดรู้ทันจิตไหลไปคิดรู้ทันเนี่ยฝึกบ่อยๆหัดพุทโธไปพุทโธพุทโธไม่ได้ให้จิตนิ่งพุทโธพุทโธไปจิตไหลไปคิดแล้วรู้ทันในจิตไหลไปว่างๆอยู่รู้ทันรู้ลมหายใจไป จิตไหลไปคิดรู้ทันจิตไหลเข้าไปอยู่กับลมหายใจ ร, รู้ทันรู้ทันตรงที่จิตไหลไปเดินจงกรมนะจิตไหลไปคิดรู้ทันจิตไหลเข้าไปอยู่ที่ทเท้าก็รู้ทั น, นรู้ทันจิตที่ไหลทันทีที่เรารู้ทันจิตที่ไหลนะจิตที่ไม่ไหลก็จะเกิดขึ้นอัตโนมัติเงั้นเวลาเรียนนะเราจะเรียนกลับข้างเสมอนะเราเราอยากเห็นธรรมะแท้ๆนะเราเรียนจากธรรมะ ของปลอมเรียนจากรูปนามในที่สุดเราก็เจอนิพพานอยู่ๆเราไปดูนิพพานยังไม่เห็นก็มาดูกายดูใจเป็นใจมันปล่อยกายปล่อยใจไม่ยึดกายยึดใจไม่ไปเห็นนิพพานเราอยากให้จิตสงบไย่าไปทําให้มันสงบแค่รู้ทันว่ามันฟุ้งซ่านนี่วิธีปฏิบัตินะจะ ก, กลับหัวกลับหางกับที่เราคิดอยู่เพราะนั้นถ้าเรารู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านเนี่ยจิตจะสงบจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติเลย จิตที่ตั้งมั่นด้วยวิธีนี้นะจะมีความเบาความนุ่มนวลอ่อนโยนค ล, คล่องแคล่วว่องไวแล้วก็เกิดดับได้นะไม่ใช่คงที่หรอกอีกวิธีหนึ่งก็คือทําฌานนะพวกเรายุคนี้ทํายากถ้าทําฌานจนถึงฌานที่สองจิตมันเห็นจิตที่เคลื่อนไปในฌานที่หนึ่งเนี่ยจิตยังเคลื่อนไปที่ตัวอารมณ์อย่างฌานบางชนิดนะ ใช้อารมณ์กรรมฐ า, านบางชนิดเนี่ยมันจะมีปฏิภาคนิมิตจะมีดวงสว่างเกิดขึ้นอย่างรู้ลมหายใจหรือทํากสินอะไรต่างๆมันจะมีดวงสว่างเกิดขึ้นมาตรงที่เป็นปฐมฌานเนี่ยจิตมันเข้าไปจับอยู่ที่ดวงสว่างมีวิตกตรึกในดวงสว่างมีวิจาร์คล้าเคลียในดวงสว่างนั้นตัวเนี้ตัวรู้ยังไม่เกิดมีสมาธิแต่สมาธิยังเป็นอารามณูปนิชานยังไปจับที่ตัว แสงสว่างสมาสติปัญญารู้ทันว่าจิตมันเคลื่อนไปที่ตัวแสงสว่างนะการเคลื่อนนั้นการที่ไปตรึกไปตรองไปเคล้าเคลียในแสงสว่างก็ขาดจิตเข้าสู่ฌานที่สองจิตจะตั้งมั่นอยู่ที่จิตอย่างแท้จริงแม่รู้ว่าเคลื่อนเหมือนกันใช่ไหแต่ไม่ใช่รู้ว่าเคลื่อนไปคิดนะอันนี้รู้ว่าเคลื่อนเข้าไปหาดวงปฏิภาคนิมิตจิตก็จะถอยจากดวงปฏิภาคนิมิตตั้งมั่นเข้าถึงฐานเหมือนกัน เนี่เป็นวิธีวิธีหนึ่งนะสําหรับคนทําฌานได้บางคนทําฌานด้วยกรรมฐานที่ไม่มีปฏิภาคมีนะักรรมฐานที่ไม่มีปฏิภาคยังจเจริญเมตตาใจนี้จะแผ่ซ่านออกไปทุกมุมโลกเลยนะครอบโลกครอบจักรวาลแผ่ไปทุกทุกโลกเลยกว้างกว้างไม่มีที่สุดเลยตามาสังเกตเห็นเออนี้จิตมันเคลื่อนนะ จิตมันยังเคลื่อนออกไปแผ่ออกไปมันไหลาตามออกไปรู้ทันนะจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาจิตเข้าถึงฐานเนี่เข้าถึงฐานโดยไม่ได้ผ่านดวงปฏิภาคเพราะไม่มีปฏิภาคนิมิตไม่มีแสงีนะเจริญเมตตานะแผ่กว้างแผ่มีความรู้สึกเหมือนเราเป็นพระทิฏพระจันทร์อย่างเงี้ยแผ่แสงออกไปเขารู้ทันว่าแสงมันกระจายออกไปความรู้สึกตัวทวนเข้ามาถึงฐาน สองวิธีนี้นะสำหรับคนที่มีปฏิภาคกับทวกทําฌานแบบไม่มีปฏิภาสนี่สําหรับคนทําฌานถ้าคนทําฌานไม่เป็นอย่างพวกเราส่วนใหญ่ทําฌานไม่เป็นหรอกทํำกรรมฐานอะไรง่า ย, ายๆสักอย่างหนึ่งนะพุโทโธไปหายใจไปอะไรก็ได้อย่าหวังว่าจะเข้าฌานนะเข้ายากหน้าตาอย่างพวกเราฟุ้งซ่านหรอกนะพวกเข้าฌานต้องประเภทเงียบเงียบไม่ชอบสูงสิงใครแต่ไม่ใช่ไม่สูงสิงแบบปฏิเสธนะ พวกเคลียดเคลียดไม่อยากยุ่งกับโลกพวกนี้ก็เข้าฌานไม่ได้พวกสบายใจไม่ค่อยยุ่งกับใครสบายๆพวกนี้ค่อยฝึกเข้าฌานได้ง่ายหน่อยถ้าเราเข้าฌานไม่ได้เราก็ใช้วิธีรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปพุทโธพุทโธจิตเคลื่อนไปรู้ทันหายใจไปจิตเคลื่อนไปก็รู้ทันจิตเป็นยังไงก็รู้จิตเคลื่อนยังไงก็รู้รู้จิตจะตั้งมั่นนี่เราจะได้สมาธิที่ถูกต้อง จะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตจะเบาอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวไม่หนักไม่แน่นไม่แข็งไม่สือไม่ถืกแถมเกิดดับได้ด้วยเราจะเห็นเลยว่าเดี๋ยวก็เป็นตัวรู้เดี๋ยวก็เป็นตัวคิดไม่ใช่เป็นตัวรู้อย่างเดียวนะแล้วตอนที่เป็นตัวรู้บางทีก็มีความสุขบางทีก็เป็นอุเบกขานะมีความไม่เที่ยงเกิดขึ้นบางทีก็ไปรู้กายบางทีก็ไปรู้เวทนาบางทีก็ไปรู้จิต ทีก็ไปเห็นสภาวะการทำงานของรูปธรรมนามธรรมเลือกไม่ได้หรอกแต่มันมีคนหนึ่งเป็นคนรู้นะอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยเคลื่อนผ่านไปมีคนหนึ่งเป็นคนรู้แต่คนที่รู้นี่ก็ไม่เที่ยงเนะงัอนตรงที่มีตัวรู้ต้องระวังนะถ้าตัวรู้เที่ยงเนี่ยเป็นสมาธิที่ผิดชนิดนะต้องตัวรู้ก็ไม่เที่ยงบางคนเจริญปัญญานะเห็นรูปนามกายใจเห็นโลกธาตุเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงหมดเลย แต่เหลือตัวเที่ยงอยู่ตัวตัวที่เป็นคนดูนี่มันเที่ยงถ้าอย่างนี้หลวงพ่อก็ถือว่ายังใช้ไม่ได้เดินปัญญาไม่จริงหรอกตัวรู้ก็ต้องไม่เที่ยงพระพระโสดาบันนะท่านเห็นเลยรูปไม่เที่ยงรูปไม่ใช่ตัวเราเวทนาสัญญาสังขารไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราวิญญาณคือตัวจิตก็ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราถ้ายังเห็นจิตเที่ยงอยู่โสดาก็ไม่ได้เป็น ยังเป็นมิจฉาทิฏฐิว่าจิตเที่ยงงั้นถ้าเราได้ยินใครสอนว่าจิตเที่ยงนะต้องรู้นะว่าเป็นคำสอนที่ยังไม่ถึงระดับพระโสดาบันเลยได้ยินว่าจิตเที่ยงจิตเที่ยงหรือบอกรักษาจิตสงบอยู่ภายในนิรันดรอะไรอย่างนี้สว่างว่างอยู่ภายในนิรันดรแค่มีภายนอกภายในก็ไม่ใช่แล้วละ่ะพระอรหันต์ไม่มีนอกมีในมีหนึ่งเท่านั้นเองถ้าจิตมีนอกจิตมีในเป็นจิตมีสองอยู่ ว่าไม่ใช่ของจริงค่อยฟังนะค่อยปฏิบัติไปเรื่อยๆต่อไปเราไปฟังคนอื่นปุ๊บเราจะรู้เลยว่าภูมิจิตภูมิธรรมเขาอยู่ระดับไหนสมมติเราไม่ได้เจโตไม่ได้ที่พรจักษุที่จะไปรู้นะเราอาศัยฟังเขาพูดเราก็รู้อยู่แต่ว่าหลักเราต้องแม่นเี่หลักเราจะแม่นได้เราต้องลงมือปฏิบัตินะถ้าไม่ปฏิบัติหลักไม่แม่นหรอกจะจำๆเอาเดี๋ยวก็เปนะแลเปไปตามกิเลสหนะ โลกปมั่นถึงขนาดบอกนะว่าธรรมะเนี่ยเข้ามาอยู่ในใจปุถุชนนะกลายเป็นสัตว ร, รมำปฏิรูปหมดเลยกลายเป็นของปลอมหมดเลยงั้นเราลงมือปฏิบัตินะเราเข้าใจถ่องแท้แล้วเราไปได้ยินได้ฟังได้พบได้เห็นนะเกิดความรู้ความเข้าใจไม่หลงผิดหรอกตอนนี้หลักเราไม่แม่แมนการปฏิบัติเรายังไม่ถึงจุดที่ไวใจได้เราก็เป๋ง่ายนะ ไปฟังอาจารย์นี้ว่าอย่างนี้ฟังอาจารย์นี้ว่าอย่างนี้ความจริงอาจารย์สองคนนี้พูดคนละระดับกันเราก็งงเจะผสมผสานคําสอนของสองอาจารย์นี้เข้าด้วยกันได้ยังไงนะผสมผสานกอไก่กับฮอนุพูกกับผสมได้ไงอ่ะหรือคอควายกับงองูผสมกันเข้าไปได้ไงคนละเรื่องกันยั้นหลังๆนั้นหลว ง, นะงพ่อเลยไม่แนะนําให้พวกเราร่อนเร่ไปนะ พวกที่ร่นเร่นนะเรียนที่โน้นที่นี่ไปเรื่อยนะไม่ค่อยได้กินหรอกคนที่ได้ของดีพึ่งพาอาศัยได้จริงๆนะคือพวกที่เด็ดเดียวในการปฏิบัตินะอย่างปฏิบัติอยู่ในสำนักครูบาอาจารย์ท่านพูดโธ พ, พี่นักกายทําตามท่านเด็ดเดี่ยวมก็ได้ของจริงเหมือนกันหัดดูจิตดูใจกับหลวงพ่อแล้วดูไปนะบางคนก็บอกว่าอาจารย์นั้นสอนเหมือนหลวงพ่ออาจารย์นี้สอนเหมือนหลวงพ่อประโยคเดียวกันนะแต่สภาวะมันไม่เหมือนกันหรอกนะ งั้นไม่ต้องไปร่อนเร่ที่ไหนนะ <S <S 1> <S 1> อยู่บ้านเราเนี่แหละดีที่สุดเลยสงสัยขึ้นมาก็ฟังซีดีมีทุกคําตอบอยู่แล้วล่ะเพราะความสงสัยของพวกเราซ้ํำซากไม่มีอะไรหรอกถามทุกวันทุกวันวก็เรื่องเดิมอะนะเรื่องเดิมแต่เปลี่ยนสำนวนไปเรื่อยๆท่านนสำนวนหกคนนี้ว่างอย่างนี้สำนวนคนนี้ว่างอย่างนี้ไม่ค่อยมีอะไรหรอกความสงสัยก็เกิดจากความคิด ความคิดมันศัตรูกับตัวรู้ถ้าเราคอยรู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็นเรื่องไม่มีอะไรจะต้องสงสัยเท่าไหร่หรอกแต่ว่าห้ามไม่ได้นะเรื่องสงสัยหลวงพ่อก็เคยสงสัยมีความสงสัยอยู่ตัวหนึ่งนะของหลวงพ่อที่สงสัยอยู่นานเป็นย0สิปีเลยคือหลวงปู่ดูลบอกว่าให้ดูจิตจิตมันก็เป็นคนดูใช่ไหมให้ดูจิตก็เหมือนให้ไปดูตัวรู้ พระพุทธเจ้าบอกให้รู้ทุกเราเห็นนะทุก์มันทำงานอยู่ที่นี่มันปรุงขึ้นมาอยู่ที่นี่กลางหน้าอกเนะี่ยปลุงขึ้นมาเอจะดูตัวรู้ดีหรือจะดูตัวนี้ดีถ้าดูตัวนี้ก็ตัวที่เห็นเป็นทุก์นี่นะเป็นตัวอารมณ์อ่หลวงปู่ดูลบอกให้ดูจิตพระพุทธเจ้าบอกให้ดูทุกเอาไงแน่สงสัยนะจะถามหลวงปู่ดูลนะเอาไว้ดูก่อนเอาไว้ดูเองไม่ถามบ่อยอะ่ะถามพร่ำเพื่อไม่ช่วยตัวเองไม่ดี หลวงปู่ดูลก็มรณภาพไปนะเขาไปเรียนอยู่กับหลวงปู่เทศขยับจะถามเหมือนกันนะเอาไว้ดูก่อนหลวงปู่เทศก็ไม่อยู่แล้วมรณภาพไปอยู่กับหลวงปู่สิมหลวงปู่สิมก็มรณภาพไปอีกกนะับหลวงพ่อพุธเลยนะก็มรณภาพหมดเลยไม่ได้ถามเลยนะประโยคเนี้ยค่อยภาวนากะว่าจะาไว้ภาวนาไว้ดูเองแต่บางทีก็นึกเสียใจว่าทําไมไม่ถามไวปมาสงสัยนะชาตินี้จะรู้เปล่าก็าไม่รู้นะ ความจริงที่พระเจ้าสอนกับที่หลวงปู่ดูลย์สเป็นอันเดียวกันอะไรเป็นตัวทุกข์อ่ะขันทั้งหลายเป็นตัวทุกข์ไหมจิตเป็นขันไหมจิตก็เป็นตัวทุกข์หลวงปู่ดุลบอกว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมัก่กอันนี้ท่านพูดแบบสงวนท่าทีคนมันยังหาเรื่องท่านแทบแย่เลยนะถึงก็จะโจทย์อธิกรณ์ท่านว่าอวดอุตรีนะชวนหลวงตามหาบัว จะมาเล่นงานหลวงปูด่ดูลงตามมหาบวัวเราไม่เล่นด้วยนะพระวงเนี้ยถึงได้หยุดเนะี่ยตอนหลังเอาชื่อหลวงปู่ดูลไปขึ้นทําเนียพระอรหันต์รัตนปุสิณิยูเขาด้วยนะท่านมาเคยยุ่งเกี่ยวอะไรด้วยเลยที่หลวงปู่ดูลบอกจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมครคเนี่ยพูดแบบสงวนท่าทีถ้าพูดตรงไปตรงมาสุดขีดนะจิตเห็นจิตอย่างจแจ่มแจ้งเนะี่เป็นอรหัน ต, ตมครคเพราะอะไรเพราะว่าเดินปัญญามาแต่ละขั้นแต่ละตอนนะ มันจะเห็นความจริงของาธาตุของขันมาเรื่อยๆเบื้องต้นเห็นาธาตุขันทั้งหมดรวมทั้งตัวจิตนะไม่ใช่ตัวเราได้โสดาบันนะแต่มาเห็นความจริงของาธาตุของกายกายนี่เป็นก้อนาธาตุธาตุดินน้ำไฟลมตั้งอยู่ในอากาศสาธาตเป็นของมีความทุกข์บิบคั้นอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่วัตถนะุเห็นแจ้งในกายจิตปลยวางกายนี่เป็นภูมิธรรมพระนักขานะแต่มาเห็น การทำงานภายในจิตเวลาเป็นพระนากขาแล้วนะไม่ว่าจะภาวนามายงไงนะมันจะไม่สนใจที่กายแล้วมันจะเห็นที่การทํางานอยู่ที่จิตเนี่ยไหว ย, ยิบยัยิบๆยับยับยบยบอยู่แต่ที่ท่านดูกายมาตั้งแต่เริ่มเลยก็มีนะไม่ใช่ว่าทุกขั้นตอนต้องมาลงดูอย่างเดียวกันอย่างพระนนทเนี่ยดูกายมาเจอกระทั้งราตรีสุดท้ายเนี่ยดูกายเป็นส่วนมากดูจิตเป็นส่วนน้อยนั่นแหละดูกายเป็นส่วนมาก อย่างนั้นก็ได้แล้วแต่วาฒนาแต่ละองค์ไม่เหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายมันจะเข้ามาเห็นนะว่าตัวจิตนี้เป็นตัวทุกข์ขันที่ปล่อยยากที่สุดก็คือจิตนั่นแหละวิญญาณขันนะเป็นตัวที่ปล่อยยากที่สุดงั้นถ้าเมื่อไรจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งนะว่านี่แหละคือตัวทุกข์ที่แท้จริงนะจะสลัดคืนจิตให้โลกนะที่สุดแห่งทุกข์ก็อยู่ตรงนั้นเองงั้นหลกงปู่ดลท่านพูดนะ ก, ก็ตรงกับที่พระเจ้าสอนนั่นเอง เพรเวลาสอนปฏิบัติท่านไม่ได้ให้ดูที่ตัวผู้รู้นะท่านให้ดูตัวสังขารตัวเวทนาจะเห็นเลจิตที่สุขเกิดระดับจิตที่ทุกข์เกิดระดับจิตที่โลภเกิดระดับจิตที่โกรธเกิดระดับจิตที่หลงเกิดระดับนี้ไม่ใช่ดูตัวรู้นะแต่ว่าดูจนแจ้งนะมันมันปล่อยวางเจตสิกพวกนี้นะแล้วมันทวนกระแสะเข้ามาที่ตัวจิตพอทวนเข้าถึงจิตเนี้ยนะเหมือนไม่มีอะไรปรุงแต่งแล้วแต่ตัวเนี้ยที่อาจารย์มหาบัวท่านเรียกว่าจิตอวิชชา ต้องแทงตลอดเข้าไปตัวนี้เองใครไปอ่านเรื่องคุณแม่จันดีก็จะรู้เหมือนกันสุดท้ายท่านมาแทงตลอดที่ตัวจิตนี่เองเพะฉะนั้นคําสอนของครูบาอาจารย์นะท่านภาวนามาดีๆนะตรงกับคําสอนพระพุทธเจ้าถ้าไปขัดกับคําสอนพระเจ้าเมื่อไหร่นะอย่าเชื่อเลยเชื่อไม่ได้ละเอาไปทานข้าวนี่มนเลยครับนีมน